บทที่ยี่สิบสี่สารพันปัญหาวันพระนี้ก็เช่นเดียวกับวันพระอื่นๆเมื่อท่านพระครูลงมาจากกุฏิชั้นบนก็พบผู้คนมากหน้านั่งรออยู่ที่กุฏิชั้นล่างทั้งที่เวลาขณะนั้นเพิ่งจะตีสี่ หน้าตาของแต่ละคนล้วนบ่งบอกว่ากำลังประสบปัญหาชีวิตอย่างหนักหวังจะมาพึ่งท่านให้ช่วยขจัดปัดเป่านายสมชายซึ่งนอนอยู่ที่กุฏิชั้นล่างต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่รับแขกแต่ดึกแต่ดด่นที่สำคัญคือคอยจดจำว่าใครมาก่อนมาหลังจะได้ไม่มีการลัดคิวกัน แขกบางคนก็นั่งปากนลำค้างรอคิวตั้งแต่กุฏิยังไม่เปิดต้องทนยุงทนหนาวเพราะอยากเข้าพบท่านก่อนข้างฝ่ายในสมชายก็ต้องเป็นคนยุติธรรมไม่มีใครเหมือนเพราะไม่ยอมรับสินบาทคาบสินบนใดๆใครมาก่อนก็จัดให้เข้าพบก่อนท่านสมพันธ์กำชับนักกำชับหนาวว่าให้จัดลำดับอย่างเที่ยงธรรม ไม่ว่าใครจะใหญ่โตมาจากไหนยากดีมีจนอย่างไรก็ต้องเรียงตามลำดับก่อนหลังทั้งสิ้นท่านพระครูขอตัวลงไปอุโบสถเพื่อทำสังฆกรรมร่วมกับภิกษุอื่นๆซึ่งจะกินเวลาประมาณสองชั่วโมงและช่วงเวลานี้ท่านก็จะนำพระเนนปฏิบัติกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เปรตชนหรือที่เรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่า พวกผีบรรดาผีเหล่านี้บ้างก็ท่องเที่ยวอยู่แถววัดคอยรับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ที่อุทิศมาให้บ้างก็มาจากที่ไกลโดยคําบอกเล่าของบรรดาเพื่อนผีด้วยกันท่านพระครูเคยเล่าให้พระบัวเยียวฟังว่าพวกผีเหล่านี้ก็เหมือนคนเวลาไปรับประทานอาหารตามที่ต่างๆร้านไหนอร่อยก็จะบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรให้ไปลิ้มลองบ้าง ผีก็เช่นเดียวกันเมื่อพวกเขารู้ว่าที่วัดแห่งนี้มีคนมาทำบุญและก็มีพระปฏิบัติกรรมฐานอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็จะพากันมาคอยรับพร้อมทั้งบอกต่อๆไปยังเพื่อนผีญาติผีของตนการที่พวกผีเหล่านี้ต้องมาเร่ร่อนขอส่วนบุญจากมนุษย์ก็เพราะพวกเขาไม่เชี่ยวเรื่องบาปบุญคุณโทษในสมัยที่ยังมีชีวิตก็ไม่เคยทาบุญทาทาน เมื่อตายลงจึงต้องมาเป็นเปรตคอยรับส่วนบุญจากผู้อื่นวันไหนไม่มีผู้อุทิศมาให้ก็ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความหิวโหยแต่เปรตชนเหล่านี้ก็ยังดีกว่าพวกสัตว์นรกเพราะพวกหลังนี้นอกจากจะอดอยากขิวโหยแล้วยังถูกลงโทษทันด้วยวิธีต่างๆตามกรรมที่เขาได้ทำมาอีกด้วยเสร็จจากปรดผีจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็เดินกลับมายังกุฏิ เพื่อโปรดคนต่อพระบโบเฮียวเดินตามมาสังเกตการเช่นทุกครั้งด้วยความประสงค์ของท่านพระครูที่ต้องการให้พระใหม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเมื่อนั่งที่อาสนะประจําของท่านแล้วนายสมชายจึงบอกให้ชายวายัยหกสเศษคลานเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะได้ไม่พูดข้ามศีรษะผู้อื่นบุรุษนั้นคลานเข้าไปในระยะหัตถบัด กลาบสามครั้งแล้วนิ่งอยู่มีอะไรว่าไปเลยโยมท่านกล่าวอนุญาตครับหลวงพ่อผมมานั่งรอตั้งแต่ตีสองนั่งอยู่นอกกุฏิผมชื่อบุญช่วยครับเขารายงานเหมือนกับประกาศว่าไม่ได้แซงคิวใครงานหรือเอาล่ะจะให้อัตมาช่วยอะไรก็ว่ามาหากเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความลับ ท่านจะพูดด้วยเสียงปกติยกเว้นแต่เจ้าตัวไม่ต้องการให้ผู้อื่นล่วงรู้ท่านก็จะพูดเสียงเบาให้ได้ยินกันเพียงสองคนคือแม่ผมนะสิครับหลวงพ่อโยแม่เป็นอะไรท่านถามเมื่อบุรุษนั้นไม่ยอมพูดต่อเป็นผู้หญิงครับแล้วก็เป็นเมียพ่อบุรุษมีนามว่าบุญช่วยตอบซื่อ แต่ทุกคนที่นั่งฟังอยู่ก็พากันคิดว่าเขาแกล้งพูดถ่วงเวลาคนอื่นเออที่มานั่งรอจนตั้งแต่ตีสองเนี่ยก็เพื่อจะมาบอกแค่นี้เองหรือมีอีกครับหลวงพ่อยังมีอีกนายบุญช่วยรีบบอกเพราะกลัวจะถูกตัดคิวคือแม่ผมแกกลัวตายครับหลวงพ่ออายุเท่าไรละ่ะผมล่ะครับหกสิบห้าครับไม่ใช่ อาตมาหมายถึงแม่โยมตังหะแม่แปดสิบห้าครับหลวงพ่อช่วยแกหน่อยเธอครับแกไม่อยากตายรบเร้าให้ผมมาขอคาถาหลวงพ่อแกว่าหลวงพ่อมีคาถากันตายลูกยอดกตัญย์รายงานอ๋อเรื่องแค่นี้เองนึกว่าเรื่องอะไรไม่ยากหรอกโยมเรื่องง่ายๆ เดี๋ยวอาตมาจะบอกคาถาให้ผู้ที่นั่งณที่นั้นพลอยตื่นเต้นไปด้วยต่างก็พากาันเงี่ยวหูฟังอย่างตั้งอกตั้งใจกลับไปบอกโยแม่นะคาถากันตายมีอยู่สองข้อคือหนึ่งหายใจเข้าไว้ สองกินข้าวเข้าไว้ปฏิบัติได้สองข้อนี้รับรองไม่ตายที่เขาตายตายกันก็เพราะไม่ยอมหายใจไม่ยอมกินข้าวคำตอบของท่านพระครูทำให้คนอื่นๆหัวเราะยกเว้นบุรุษเจ้าของเรื่องเขารีบกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วเอ่ยลาขอบคุณหลวงพ่อมากครับผมขอลา จะรีบไปไหนเหล่าโยมจะรีบไปบอกแม่ครับแกคงดีใจที่ได้คาถาเดี๋ยวก่อนอาตมายังไม่ได้บอกเคล็ดลับยังมีเคล็ดลับอีกอาตมาจะบอกให้คือเราต้องไม่กลัวตายต้องกล้ า, ผาเผชิญกับมันคนที่กลัวตายอาตมาเห็นตายทุกรายถ้าไม่กลัวตายแล้วไม่ตายใช่ไหมคะหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งเอ่ยขึ้น กลัวหรือไม่กลัวมันก็ต้องตายทุกคนนั่นแหละแต่เท่าที่อาตมาสังเกตดูคนที่กลัวตายมักตายเร็วคนไม่กลัวตายตายช้าฉะนั้นจงอยากกลัวตายแต่จงมีสติรู้เท่าทันชีวิตว่ามันไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา เราจะทำดีพูดดีคิดดีทำได้อย่างนี้เราก็จะไม่กลัวตายเพราะเรารู้ว่าจะไม่ไปทุกขติคนที่เขากลัวตายก็เพราะว่ากลัวจะไปไม่ดีเช่นไปเกิดเป็นสัตวน์นรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นตน้นโยมพอจะเข้าใจอัตมาพูดไหมเข้าใจครับในบนช่วยตอบเข้าใจว่ายังไง ไหนลองบอกมาซิว่าจะไปบอกแม่ว่ายังไงท่านถือโอกาสซักซ้อมความเข้าใจเพราะมีหลายคนที่อยู่ในประเภทฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดท่านพูดอย่างหนึง่งเอาไปพูดอีกอย่างหนึง่งแล้วอ้างว่าท่านพูดทำให้เข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันไปยกใหญ่เหตุนใ้ท่านจึงต้องตรวจสอบเพื่อความถูกต้องชัดเจน เข้าใจว่าหายใจเข้าไว้กับกินข้าวเข้าไว้แล้วจะไม่ตายส่วนเคล็ดลับก็คือไม่ต้องกลัวตายถ้ากลัวตายแล้วจะตายไม่กลัวตายไม่ตายหลวงพ่อให้ผมไปบอกแม่อย่างนี้ครับบุรุษสูงวัยตอประดับสติปัญญาของตนเครื่องรับในตัวเขารับได้เท่านี้อ๋ออาตมาพูดว่ายางงั้นหรือโยมแน่ใจนะ แน่ใจครับเขายืนยันงั้นก็ให้พระโบเฮียวเป็นพยานก็นแล้วกันพระโบเฮียวผมพูดอย่างที่โยมคนนี้บอกหรือเปล่าต่อหน้าคนอื่นที่ไม่คุ้นเคยกันท่านจะเรียกพระใหม่ว่าพระโบเฮียวและแทนตัวท่านว่าผมไม่ใช่ครับหลวงพ่อพูดว่าอย่างนี้พระโบเฮียวอธิบายจนบุรุษนั้นเข้าใจ ถูกต้องเป็นอันดีท่านพระครูจึงอนุญาตให้เขากลับไปได้ต่อจากนั้นก็เป็นรอบของสตรีวัยห้าสิบหลวงพ่อจ๊ะฉันอยากตายเป็นประโยคแรกที่นางเอื้อนเอ่ยอยากตายหรืองั้นกอตามโยมผูดชายเมื่อกี้ไปสิตามไปทำไมจ๊ะถามงงงอ้าวก็จะได้ไปหาแม่เขาหนาสิไปแลกกันซะ จะได้หมดเรื่องเมื่อแม่เขาไม่อยากตายส่วนโยมอยากตายก็ควรจะไปแลกกันเสียให้ได้สมใจกันทั้งสองฝ่ายไงล่ะแม่หลวงพ่อถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดีนะสินางว่าก็ทำไมจะไม่ดีแล้วอาตมาถึงได้แนะนำไง หลวงพ่อจเจริญไม่เคยแนะนำใครในสิ่งที่ไม่ดีท่านใช้มุกตลกเพื่อให้บรรดาผู้แบกทุกข์ทั้งหลายได้ผ่อนคลายแต่ฉันอยากตายโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนกับใครหยิงนั้นยืนกรานอยากตายแน่หรือคราวนี้ท่านถามจริงจังจ้ะตอบเสียงอ่อยๆงั้นก็เชิญตายได้ตามสบายวัดนี้มีพร้อม ทั้งเมนเผาศพทั้งพระสวดมัติการทานไม่มีก็ไม่เป็นไรประเดี๋ยวให้สมชายไปสั่งตลาดมาให้ว่าแต่ว่าโยมจะเอาโลงแบบไหนจะเอาไม้ช้าฉาหรือไม้จำปาเห็นท่าทางท่านเอาจริงจังหญิงนั้นก็ใจฟออยากจะเปลี่ยนใจแต่ก็อายคนอื่นจึงฝืนต่อไปว่าแล้วแต่หลวงพ่อจะเมตตาถือจากไม้อะไรก็ได้ อาและแต่อัตมาไม่ได้สิอัตมาไม่ได้เป็นคนตายนี่งั้นลงจำปาก็ได้จ้ะสตรีวัยห้าสิบตอบเสียงเบาลงทุกทีเหงื่อการแตกซิกซิกเพราะกลัวตายเอาละสมชายมาหนี่สิช่วยไปนิมนพระให้สิบรูปสำหรับสวดมาติกาแล้วก็สั่งฐานที่ตลาดให้หากกระสอบท่านหันมามองหญิงนั้นแล้วพูดว่า พร้อมๆ อ, อย่างโยมเนี่ยห้ากระสอบก็ไหม้หมดไม่มีเหลือคนแบกทุก์มีท่าทางลังเลพูดเสียงอ่อยๆว่าหลวงพ่อฉันกู ร, ร้อนเอาฐานมาเผาฉันฉันก็ร้อนแย่น่ะสิอ้าวก็ในเมื่อโยมตายก็ต้องเผาจะปล่อยให้เหม็นครุ่งอยู่ในวัดได้ยังไงงั้นฉันไม่ตายก็ได้ นางถือโอกาสเปลี่ยนใจเอาให้แน่ๆ่จะตายหรือไม่ตายอาตมาจะได้จัดการให้ตามความประสงค์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอาตมา ท, ทำอะไรไม่ถูกนะสิหญิงนั้นคิดว่าท่านดุจึงร้องไห้โฮออกมารำพึงรำพันว่าฉันกลุ้มใจจะหลงพ่อฉันอยากตายแต่ก็ไม่อยากตายแล้วก็ร้องไห้อหือ นางพร่ร่มพิ่ไร่รำพันทุกคนณที่นั้นก็พากันสมเพศเรื่องของคนอื่นดูช่างน่าสมเพศหลงลืมไปว่าบางทีเรื่องของตัวเองนั้นก็น่าสมเพศจะยิ่งกว่าตั้งสติให้ดีๆโยมหยุดร้องไห้เสียแล้วเล่าไปไว่าโยมกลุ่มใจเรื่องอะไรถ้าเอาแต่ร้องไห้อยู่อย่างนั้นอาตมาจะรู้ได้ยังไง นั่นแหละนางจึงหยุดร้องไห้ใช้มือปาดน้ำตาและเช็ดมือกับผ้าถุงจากนั้นก็เริ่มต้นเล่าถึงเหตุแห่งทุกโศกต่างๆจับใจความได้ว่าสามีลักลอบได้เสียกับคนใช้ในบ้านเมื่อนางไล่คนใช้ออกสามีก็ไปเช่าแฟลตให้อยู่กับคนใช้ไม่ยอมกลับบ้านอีกเลยหลวงพ่อคะทำไมพวกผู้ชายถึงชอบยุ่งกับคนใช้คะ สตรีอายุประมาณ30มสิถามขึ้นหล่อนก็ประสบปัญหาอย่างเดียวกันท่านพระครูเห็นเข้าเขาจึงใช้เห็นหนอสำรวจดูว่าผู้คนที่นั่งอยู่ต่อหน้าท่านนี้มีใครบ้างที่มาด้วยปัญหาอย่างเดียวกันจะได้ตอบให้เสร็จๆไปเป็นชุดๆเพื่อประหยัดเวลาแล้วเห็นหนอก็รายงานว่าหกรายที่ประสบปัญหาเรื่องผัวมีมีน้อย ในหกรายก็มีอยู่สรายที่เมียน้อยเป็นคนใช้ส่วนปัญหาเรื่องเมียมีชู้มีอยู่สองรายทั้งแรายนี้สามารถใช้วิธีเดียวกันได้ในการแก้ไขปัญหาลวงพ่อยังไม่ตอบหนูเลยค่ะว่าทำไมผู้ชายถึงชอบยุ่งกับพวกคนใช้ สตรีวัยสาสิบทวงคำถามเออันนี้อาตมาก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะอาตมาไม่เคยยุ่งกับคนใช้คำตอบของท่านเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนในที่นั้นรวมทั้งคนถามด้วยแต่หลวงพ่อน่าจะตอบได้เพราะว่าหลวงพ่อเป็นผู้ชายคนถามไม่ยอมแพ้หนูตอบเองค่ะ หนึ่งในสี่ที่สามีเมียไมย่น้อยเป็นคนใช้ขันอาสาเสียงที่ตอบเต็มไปได้วยความอาฆาตแค้นเคืองเพราะคนพวกนี้รสนิยมตาำชอบของตาำกินของเน่าหมินจิตใจสกปรกตาทซามหล่อนหันไปทางพวกผู้ชายล้อมรั้วป้องกันตัวเองเสร็จสรรด้วยการกล่าวว่าขอโทษบรรดาสุภาพบุรุษ ท, ที่นั่งอยู่ณที่นี้ด้วยนะคะ ถ้าท่านไม่ได้เอาคนใช้เป็นเมียก็อย่าได้ร้อนตัวมนุษย์เพศชายก็เลยต้องนั่งนิ่งทั้งที่ใจอยากจะฉีกเนื้อหญิงปากกร้าคนนั้นหลวงพ่อคะสามีหนูชอบดูลูปโป๊สาววัยยี่สิบเศษถือโอกาสลัดคิวก็ทีคนอื่นๆยังทำได้เขาสะสมรูปโปไว้ที่ลิ้นชักหัวเตียง เป็นรูปอุจจารามกทั้งนั้นดูไม่ได้เลยค่ะแล้วหนูไปดูทำไมล่ะจ๊ะท่านถามยิ้มยิ้มก็มันเห็นนะคะหล่อนแก้ตัวเขาวางให้หนูเห็นงั้นหรือไม่ใช่เขาอุสาซ่อนไว้แล้วหนูไปค้นมาเจอนะสตรีนั้นยิ้มแย่เพราะจริงดังที่ท่านว่าแบบนี้เป็นโรคจิตหรือเปล่าคะอายุก็มากแล้ว ยังสัปปดนต่อหน้าคนอื่นทำเป็นอ่านหนังสือธรรมะสะสมหนังสือธรรมะไว้เต็มตู้แต่หลังจากแอบอ่านหนังสือโปะสะสมรูปโปะแถมเอาไว้บนหัวนอนอีกด้วยแบบนี้ต้องเป็นโรคจิตใช่ไหมคะลวงพ่อไม่รู้เหมือนกันนะรู้แต่ว่าหนูหนาหึงแม่กระทั่งรูปโปะเสียงหัวเราะดังขึ้นแต่หญิงสาวกลับทาหน้าบูดบึง้ง หล่อนต้องการมาเอาคำตอบเรื่องนี้แต่ท่านพระครูกลับเห็นเป็นเรื่องตลกหญิงสาวแน่ใจว่าสามีต้องเป็นโรคกามวิปริตหรือไม่ก็จิตวิปลาสจะอะไรก็แล้วแต่หล่อนได้เก็บภาพโป้และหนังสือลามกเหล่านั้นเผาเป็นจุนไปแล้วไม่ต้องการเก็บไว้ให้เป็นอัปมงคลแก่บ้านเรือนเอาล่ะฟังทางนี้วิธีแก้ปัญหาเรื่องสามีนอกใจ หรือภรรยานอกใจนั้นไม่ยากอะไรเลยประเดี๋ยวอาตมาจะบอกวิธีให้แต่ต้องทำให้ได้นะถ้าทำไม่ได้ก็แก้ปัญหาไม่ได้ต้องมีความอดทนมีความไม่ท้อถอยเคยมีคุณหญิงคนหนึ่งมาขอให้อาตมาช่วยแบบเดียวกันนี้อาตมาก็แนะแนวทางให้เขาก็ไม่ยอมทำตามก็เลยไม่สำเร็จ แล้วคนที่ทตามจะสำเร็จทุกคนไหมคะสาเร็จแน่นอนร้อยเปอร์เซน์อาตมาวิจัยมาแล้วน่าเสียดายที่คุณหญิงเขาไม่เชื่ออาตมาอุตส่าห์ดันดนมาหาพอบอกให้กลับไม่ทาตามสามีเขาเป็นรัฐมนตรีแต่ไปหลงรักคนใช้ถึงกับปลูกบ้านปลูกช่องให้อยู่คุณหญิงก็เอาแต่ดาสามีก็เลยไปอยู่กับคนใช้เสียเลย เวลาคนเขาจะมาติดต่อราชการเขาก็ไปหาที่บ้านคนใช้คุณหญิงก็โกรธใหญ่นี่มานั่งด่าอยู่ตรงเนี้ยท่านชี้ไปที่สตรีวัยห้าสิบนั่งอยู่ด่าใครคะด่ารัฐมนตรีกับคนใช้แล้วคนถูกด่าเขาได้ยินไหมคะจะได้ยินได้อย่างไรโน้นเขาอยู่กรุงเทพอยู่กันโน่นคนที่ได้ยินก็คืออาตมา แม้เขาด่าจอดจอดใครไม่รู้นึกว่าด่าอาตมาท่านพูดแล้วก็หัวเราะหึๆหงั้นหลวงพ่อก็บอกวิธีแก้เธอะค่ะหนูจะได้นำไปปฏิบัติสตรีวัยสามสิบเร่งเรา้าวิธีง่ายๆก็คืออย่าไปโกรธห้ามโกรธห้ามผูกพยาบาทแต่ให้แผ้เมตตาให้เขาทั้งสองคน ขอให้เขาครองรักครองสุขกันอย่างราบรื่นอย่าไปด่าไปแช่งเป็นอันขาดโอ้ยหนูทำไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าแช่งแล้วพอทำได้คนอายุสามสิบทวงขึ้นแช่งไม่ได้สิแช่งก็ไม่สำเร็จถ้าเราอยากให้เขากลับมาหาเราอยากให้เลิกกับทางโน้นเราต้องทำให้ได้มันอาจจะฟื้นใจตอนแรกแรก แต่พอทำไปทำไปกอดชินเมื่อชินเสแล้วก็ไม่ต้องฟืนใจคนเขาทำสำเร็จมาเป็นสิบสิบรายแล้วมีอาตมาบันทึกไว้หมดและคนที่ไม่สำเร็จมีไหมคะก็อย่างที่บอกถ้าทำไม่ได้ก็ไม่สำเร็จอย่างเช่นคุณหญิงเป็นต้นถ้าทำได้รับรองสำเร็จทุกรายค่ะถ้าอย่างนั้นนิมงลหลวงพ่อพูดต่อเถอะค่ะ ก่อนแผ่เมตตาก็ต้องไหว้พระสวดมนต์เสกอนให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาอย่างละจบหลังจากนั้นก็สวดพุทธคุณอย่างเดียวสวดเท่าอายุบวกหนึ่งเช่นโยมอายุสาสิบก็สวดสาสบเอ็ดรอบงั้นฉันก็ต้องสวดถึงห้าสิบเอ็ดรอบสิจ๊ะสตรีไวห้าสิพูดขึ้นก็ไม่ยากอะไรนี่โยม ใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงและนานไม่ค่ถึงจะได้ผลคนอายุสามสิบถามอีกเท่าที่อาตมาบันทึกไว้ยอย่างเร็วก็หนึ่งเดือนอย่างชาเก่อสามเดือนขึ้นอยู่กับว่าใครมีสมาธิมากน้อยกว่ากันอย่างคนหนึ่งเข้ามาเล่าให้อาตมาฟัง เขาบอกแรกๆเขาแผ่เบตตาไม่ได้มันแผ่ไม่ออกพอนึกว่าเขาทำให้ตัวเราเจ็บช้ำแทนที่จะบอกให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเถิดกลับแช่งให้เขาประสบความพินาศฉิบหายแต่หลังๆเขาก็ทำได้รายนี้สามเดือนถึงสำเร็จเมื่อท่านบอกวิธีแก้ปัญหาจบลงปรากฏว่ามีผู้ก้มลงกราบ แล้วก็ครานออกไปแปดรายสตรีหบุรุษสองหลวงพ่อครับแม่อินูหนีไปอีกแล้วครับเจ้าทุกรายที่สามเข้าร้องเรียนเป็นชายวัยกลางคนหน้าตาซูบซีดหมองคร้มพระบัวเหียวซึ่งนั่งสังเกตการอยู่รู้สึกสงสารท่านพระครูที่ต้องรับฟังเรื่องราวร้องทุก์จากผู้คนทุกชั้นวันนะ และปัญหาแต่ละคนก็มีต่างๆกันออกไปชนิดที่เรียกได้ว่าสารพันปัญหาหากเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ไม่ได้แสดงอาการท้อแท้เหนื่อยน่ายคงให้ความเมตตาช่วยเหลือและรับฟังปัญหาของเขาอย่างตั้งอกตั้งใจทั้งที่บางปัญหาดูไร้าสาระในสายตาของพระบัวเหียวนี้อีกแล้วหรือยมไปทําอะไรเข้าละ่ะท่านแกล้งถาม เห็นหนอรายงานว่าชายผู้นี้เมาเหล้าแล้วก็อารวาดเตะเมียจนตกบ้านก็ลงไม้ลงมือไปนิดหน่อยเองครับตอบไม่ตรงนะักครั้นจะโกหกก็ไม่กล้าเพราะรู้ว่าท่านตรวจสอบได้เห็นเขาว่าท่านตาทิพอ่อขนาดเตะตกบ้านนั่นนิดหน่อยหรือ ถ้ามีคนเข้ามาเตะโยมตกบ้านมานิดหน่อยหรือเปล่าล่ะผมผิดไปแล้วครับหลวงพ่อเขาก้มหน้าสารภาพโยมพูดอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วก่อนทำทำไมไม่คิดวันก่อนก็เอาซ่อมขี้ยยใส่หน้าเขาใช่ไหมล่ะชายคนนั้นก้มหน้านิ่งไม่ยอมตอบท่านพระครูจึงถือโอกาสสั่งสอนอีกว่า ถ้าวันนั้นเขาหลบไม่ทันรับรองตาบอดอยากมีเมียตาบอดใช่ไหมไม่อยากครับไม่อยากก็อย่าทำอีกสิแล้วเมื่อไหรเขาจะกลับครับหลวงพ่อถามด้วยอยากรู้คำตอบหลวงพ่อท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านบอกสามวันก็สามวันเจ็ดวันก็เจ็ดวันไม่เคยผิดพลาดสักครั้งเดียวเขาไม่กลับแล้ว ถ้าโยไม่เลิกเล่าเขาไม่กลับแน่แต่ถ้าเลิกเล่าได้อีกเดือนหนึ่งเขาก็กลับตั้งเดือนเฉละครับใช่แต่หมายความว่าโยมต้องเลิกเล่าได้นะก็เลือกเอาก่อนแล้วกันว่าเหลากับเมียจะเลือกใครบุรุษนั้นทําท่าลังเลใจหนึ่งอยากเลือกเล่าอีกใจก็อยากเลือกเมียเพราะขี้เกียจเลี้ยงลูกแต่ผู้เดียว มีลูกตั้งห้าคนยังเล็กๆทั้งนั้นคนหัวปีเพิ่งจะแปดขวบคนเล็กยังไม่เต็มขวบดีถ้าเมียไม่กลับเขาคงตายเป็นแน่แท้ในที่สุดจึงบอกกับท่านพระครูว่าหลวงพ่อครับผมจะเลิกเล่าผมเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหวดีแล้วต้องมีสัจจะนาะเสียสัจจะเมื่อไรโ ย, ยมต้องตาย มีตัวอย่างมามากมายโยมเคยได้ยินบ้างไหมเคยครับทิจจาเพื่อนบ้านผมก็ตายมาแล้วหลวงพ่อจำได้ไหมครับจำได้สิก็คนนี้แหละที่มาบอกว่าจะเลิกเกล้าเลิกไปได้ปีเดียวก็กลับมากินอีกกินวันนั้นก็ตายวันนั้นเรื่องสัจจะนี่สำคัญมากจำไหมนะครับหลวงพ่อ ผมจะจำไปจนตายเลยผมกราบลาละครับ